พระราชพิธีบรมาราชาพิเศษพุทธศักราช2562ครั้งหนึ่งในชีวิตกับพระราชพิธีสำคัญยิ่งของคนไทย RMU TT Farm Shop ยินดีนดต้อนรั บ, รบค่ะ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 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการ c าวเจอร t ทา v เวนะคะพบกับดิฉันนิภาภวิเวรวงศ์และคุณออกกัตพิพัฒนพงศ์วัฒนาการละยาคุณค่ะซึ่งจะอยู่เป็นเพื่อนของคุณผู้ฟังทุกสัปดาห์นะคะที่นี่ fm ปด้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีแห่งนี้ค่ะ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 แล้ววันนี้นะคะสัปดาห์สัปดาห์านี้ค่ะรายการของเรานั้นก็จะย้อนไปถึงวันออกพรรษาเนีคะคุณผู้ฟังทราบไหมะคะว่าทำไมเราถึงย้อนไปช่วงออกพรรษาเพราะในช่วงทนธรรมพาเพลินนะคะคุณออกัสนั้นก็จะพาคุณผู้ฟังนั้นไปท่องเที่ยววัฒนธรรมแบบพาเพลิ น, นะคะ่ะในช่วงออกพรรษากันคุณออกัสนั้นไปมาหลายที่นะคะก็จะมาเล่าเรื่องของการท่องเที่ยวในแต่ละที่ให้เราได้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะก่อนอื่นนะคะในช่วงรู้ก่อนเที่ยวนะคะก็ไม่แพ้กันค่ะวันนี้ค่ะก็มีข้อมูลนะคะประวัติ ความเป็นมาและก็สถานที่ท่องเที่ยวนะคะหรือว่ากิจกรรมในช่วงออกพรรษามาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราเริ่มที่ในเรื่องของวันออกพรรษากันเลยนะคะวันออกพรรษานั้นนะคะก็คือวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษานะคะหรือการออกศากอยู่ประจําที่ในฤดูฝนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือนสินะคะวันออกพรรษานี้นะคะเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันมหาปวารณานั่นเองค่ะซึ่งคําว่าปวารณานะคะคุณผู้ฟังก็แปลว่าอนุญาตหรือ ยอมนั่นเองค่ะก็เป็นวันที่เปิดให้พระพิคุกส่งนะคะด้วยการ น, นั้นมีการว่ากล่าวตักเตือนกันได้ในข้อที่ผิดพลังล่วงเกินหรือว่าผิดพลาดในระหว่างที่จำํำพรรษาด้วยกันนั่นเองนะคะค่ะและในวันออกพรรษานี้นะคะชาวบ้านก็สิ่งที่ชาวบ้านมักจะกระทำก็คือการบําเพ็ญกุศลคะ่ะก็มีการทําบุญตักบาตรจัดดอกไม้ทูเพียนไปบูชาพระที่วัดกันนะคะรวมถึงการฟังพระธรรมเทศนาค่ะของชาวพุทธที่นิยมไปใส่บาตรนะคะก็สิ่งที่นิยมไปใส่บาตรก็คือข้าวต้ม มมัตไตนะคะและข้าวต้มลูกหยดนั่นเองค่ะและก็มีการร่วมการกุศลนะคะไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรเทวค่ะและคําว่าเทวนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะก็ย่อ ม, มาจากคำว่าเทโวโรลกนั่นเองค่ะแปลว่าการเสด็จจากเทโวโลกการตักบาตรเทวนั้นนะคะจึงเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์นั้นเสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทโวโลกนั่นเองค่ะ ซึ่งวันออกพรรษานั้นนะคะก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาหนึ่งในประเทศไทยเลยค่ะเนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะจวาพรรษานะคะสเดือนของพระสงฆ์เทรวาทนะคะโดยจะเป็นวันที่พระสงฆ์นั้นจะทำสังฆกรรมคือการประวารณากันในวันนี้นั่นเองนะคะ ก็รายการของเรานั้นก็ได้กล่าวแล้วนะคะก็พุทธศาสนิกชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้ทําบุญทํำกุศลกันช่วงนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของการตักบาตรเทวที่เราได้กล่าวไปแล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือนะค ะ, ะเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะั้นเสด็จกลับจากเทวโลกค่ะลงมายังโลกมนุษย์นะคะหลังจากการโปรดเทพบุตรนะคะอดีตพระพุทธมารดาค่ะพานางสิริมหามายาบนสวรรค์ดาวดึงนะคะและในพรรษาที่7็เสด็จลงมายังเมืองสังกษารนั่นเองค่ะก็พร้อมกับการทรง แสดงนะคะไตโลกวิวันปฏิหารนั่นเองค่ะนอกจากมีการตักบาตรแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของกระถินการด้วยนะคะก็คือช่วงเวลานั้นที่ทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุ ผู้จำพรรษาครบ3เดือนแล้วเนี่ยสามารถนํามารับผ้าเนี่ยมานุ่งห่มได้นะคะเริ่มตั้งแต่วันแรม1น่งคเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ําเดือน12นะคะก็ถือว่าเป็นอาวันนั้นก็คือเป็นลอยกระทงนั่นเองค่ะก็เป็นช่วงเวลากรถินการตามพระวินัยนะคะปีดอกศิลวัฒนนั่นเองค่ะและในช่วงเวลาพุทธศักรชุ่นนี้นะคะพุทธศักราชชนชาวไทยเนี่ยก็จะมีการร่วมกันบําเพ็ญกุศลคะ่ะเนื่องในงานกรถินประจําปีนั่นก็คือมีการนําผ้าจีวรถวายพระพุทธรูปนะคะและพระสงฆ์ในวัต่่างๆคะ ก็ถือว่าเป็นงานบำเพ็ญกุศลที่ได้กุศลมากมายงานนึงเลยละค่ะ โดยประเพณีการทําบุญกุศลเนื่องในวันออกพรรษาไหคะทุกวัดในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีวิธีเหมือนกันหมดค่ะคุณผู้ฟังแต่จะผิดกันเพียงแต่ก็สถานที่นะคะก็สมมติว่าเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่านั้นค่ะและกิจกรรมต่างๆนะคะที่ควรมาปฏิบัติกันในวันออกพรรษาก็คือการทําบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับนะคะไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรมหรือว่าฟังพะงระธรรมเทศนาค่ะก็รวมกุศล ต, ตักบาเทโวนะคะปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาดค่ะประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชาการ ประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามวัดนะคะและสถานที่สําคัญนำพุทธศาสนาค่ะและสุดท้ายนะคะตามสถานที่ราชการต่างๆหรือสถานศึกษาและวัดนะคะก็ควรมีการให้จัดในเทศกาลมีการบร ร, รยายบ ร, รรยายธรรมนะคะหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับวันออกพรรษาเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้กันนะคะคุณผู้ฟัง แล้ววันนี้ค่ะรายการของเรานะคะคในช่วงรู้ก่อนเท่านั้นก็จะย้อนกิจกรรมนะะในช่วงวันออกภาษากันค่ะและที่แรกนะคะที่รายการของเรานั้นจ ะ, ะมีกิจกรรมอาจนาเสนอคุณผู้ฟังนะคะก็คือแต่ผ่านมาแล้วนะคะก็คื อ, อพิธีถวายผ้ากรถิ่นพระราชทานประจําปีพุทธศักราชสองพนะคะของมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะณวัดหว่านบุญตําบลคลอง6กอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธา น, นีนั่นเองค่ะ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโ ป, ปรดกลาปรกรหมอมพระาชธานภากถินให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2562นะคะที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังซึ่งนะคะกิจกรรมก็มีดังนี้ค่ะ กิจกรรมนั้นนะคะก็มีตั้งแต่วันที่19กแล้วค่ะก็มีการเคลื่อนองค์พระกรถินพระราชทานนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะไปยังศาลาการประเรียนวัดหวางบุญตําบลคลองหกอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธา น, นีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็จะมีพิธีสมโพธิองค์พระกรถินพระราชทานนั่นเองนะคะและในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็มีพิธีถวายผ้ากระถินพระราชทานค่ะคุณผู้ฟงัง แล้วต่อไปนะคะรายการของเรานั้นก็จะรวมสถานที่นะคะที่ผ่านมาในเทศกาลการออกพรรษา 2,562 นะคะเป็นการทําบุญตักบาตรทั่วไทยเลยนะคะงานแรกก็เป็นงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมนะคะก็มีการชมขบวนเรือไฟที่ยิ่งใหญ่นะคะสวยงามล่องไปตามแม่น้ําโขงค่ะมีการชมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานนะคะมีการรําบูชาพระธาพนมของสาวชาวชนเผ่านะคะมีการแสดงศิลปะประเพณีธรรมพื้นบ้านค่ะมีการแสดงดนตรีแล้วก็มีการร่วมงานพาแรงหรือ าการรับประทานอาหารเย็นริมโขงนะคะคุณผู้ฟังยังไม่หมดแค่นี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมนะคะซื้อผลิตภัณฑ์โอทอบของขึ้นชื่อในแต่ละอำเภอด้วยนะคะ เราไปต่อที่หนองคายบ้างนะคะที่หนองคายนั้นก็มีประเพณีออกพรรษาเทศกาลบั้งไฟพญานาคค่ะก็มีการนะคะกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะมีการแสดงแสงสีสิ่งนะคะเปิดตํานานบั้งไฟพญานาคค่ะมีการลอยเรือไฟบูชาพญานาคนะคะการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานค่ะมีการแสดงศิลปะนานทธรรมอารยธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขงนะคะกาแสดงนิทรรศการเรือโบราณถนอนอาหารนะคะลานดนตรีหรือว่าการแสดงบนเวทีของศิลปินและก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลย เลยนะ ค, ะคุณผู้ฟัง กิจกรรมนี้นะคะก็จะมีขึ้นทุกๆปีเลยนะคะคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะอยากไปจังหวัดหนองคายในช่วงออกพรรษาก็ไปกันได้นะคะต่อไปค่ะประเพณีแห่ประสาทพึ่งสกลนครนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานเลยนะคะเป็นประเพณีแห่ประสาทพึ่งนะคะก็ที่สนามมิ่งเมืองนะคะสวนสมเด็จพระศีนครินทร์ค่ะเทศบาลเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนั่นเองนะคะนอกจากอ่านี้นะคะคุณผู้ฟังนั้นจะได้ชมความงดงามนะคะของขบวนแห่ประสาทพึ่งเนี่ยยังมีกิจกรรมอีกอื่นๆอีกมากมายไม่แค่ขบวนประสาทพึ่งเท่านั้นนะคะ มีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพ ร, รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีค่ะมีการประกวดพานใบสีนะคะและการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์โอทอปค่ะมีการแสดงแสงสีเสียงศิลปกรรนมนนธรรมชาวสกลนครและมหลศพด้วยนะคะ ต่อไปค่ะงานตักบาทพระร้อยทางน้ำนะคะที่จังหวัดปทุมธานีนี่เองค่ะงานตักบาทอ่าร้อยพระนะคะก็เป็นประเภทนี้ที่ดีงามเลยแหละค่ะเป็นประเภทนีที่ปฏิบัติศึกต่อกันมายาวนานนับร้อยปี ของชาวไทยเชื้อสายมอนะคะโดยวัดที่อยู่ตามฝั่งริม่น้ำซ่องพรยานั้ง2ข้างเนี่ยก็จะตกลงและแบ่งกันเป็นเจ้ า, าพารนะคะคุณผู้ฟังเพื่อไม่ให้วันตักบาทนั้นตรงกันค่ะเพราะว่าถ้าตรงกันนะคะจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะคุณผู้ฟังก็จำนวนพารที่มารับบาทนั้นก็จะไม่ครบ100ร้อยรูปนั่นเองค่ะก็ต้องการผู้ศรนิธาชนนั้นนะคะรู้เรื่องของการกําหนดเวลาค่ะจะได้เตรียมการจัดทําอาหารคาวหวานไว้ตักบาททาบุญได้อย่างถูกต้องนะคะถ้าประเพณีออกว่าอําเภอแม่สเรียงนะคะก็เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทใหญ่ โดยเชื่อว่านะคะเป็นการต้อนรับพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวงสวัสดนั่นเองค่ะก็จะมีการตักบาดรพระสงฆ์ประมาณ200รูปนะคะและบริเวณถนนสายต่งตางๆในเทศบาลตําบลแม่เสียงนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็มีขบวนการแห่เทียนนะคะและก็มีการประกวด้มราชวัตรนะคะการสแสดงศิลปะนันทธรมการสแสดงรื่นเริงนะคะตลอดจนกิจกรรมบนถนนนะคะมีการจําหน่ายอาหารพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยค่ะ ยังไม่หมดนะคะประเพณีรับบัวจังหวัดสมุทรปราการค่ะประเพณีรับบัวนั้นนะคะก็เป็นประเพณีที่เก่าแก่สืบทอดกันมาแต่โบราณ น, นะคะกอนวัดบางปลีย์ใหญ่นะคะในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังขาไฮไลท์ที่นี่ก็คือพิธีโยนบัวค่ะก็จะมีการแห่หลวงพ่อโตองค์จำลองทางเรือนแล่นไปทางของสํารงนะคะให้ผู้คนทั้งสองฝั่งนั้นได้มีการกราบไหว้สักการะและโยนดอก บ, บัวลงมาในเรือนนั่นเองค่ะ และงานประเภทนี้ออกพรนาพาสาภาาศสตร์ลอยเคราะหนะคะอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนั่นเองค่ะภาสาดลอยเคราะ์นั้นนะคะก็เป็นพิธีกรรมโบราณที่ทําสืบทอดกันมานับร้อยร้อยปีเลยค่ะซึ่งภาาศสาดนั้นนะคะก็ทํามาจากหยกกล้วยคายกระทงค่ะมีการตกแต่งดอกพึ่งเทียนดอกไม้ขาวหวานและของหวานนะคะก่อนจะมีการจุดธูปเทียนแล้วนําไปลอยในแม่นม้ำโขงก็เปรียบเสมือนเป็นการลอยสิ่งไม่ดีทิ้งไปนั่นเองนะคะ นอกจากนะค ะ, ะพณีนี้แหละก็จะมีการชมคาบาวนแห่ผ้าศาลนะคะพิธีบายสีสุขขวัญค่ะการไหลเรือไฟนะคะการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของเชียงคานนะคะการบรรยายให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเชียงคานค่ะและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและมโหสพต่างๆนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะประเภทนี้ตักบาตรเทโวนะคะวะัดสังกัดรัฐกิริอุทัยธานีนเองค่ะที่นี่ก็จะมีในเรื่องของการตักบาตรนะคะพิธีสักการะโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้างนะคะตลาดเมืองอุทัยค่ะถึงบริเวณวงเวียนแยก5้าวิทยุและชมขบวนการแห่พุทธบูชามหาสังกทานนะคะพระพุทธรูปปางประจำวันทุกอำเภอในจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองค่ะก็มีการเคลื่อนขบวนจากขนส่งอุทัยธานีนะคะไปตามถนนเติบสีรินะคะถนนสีอุทัยและวงเวียน5แยกวิทยุ และประเพณีนะคะปอยเล่น11เอนั่นเองนะคะประเพณีนะคะก็เป็นความเชื่อของชาวไทยใหญ่ในช่วงออกพรรษาค่ะโดยชาวบ้านนั้นนะคะก็จะมีการประดิษฐ์และประดิษฐ์และประดับประดาตามบ้านเรือนนะคะก็เพื่อแสดงถึงการเสด็จพระพุทธเจ้าที่เสด็จจากชั้นดาวหนึ่งกลับมาสู่โลกมนุษย์นะคะภายในงานก็จะมีการแห่จองพาราหรือว่าประศาสตรไม้จำลองค่ะที่ประดับ ประดาไปด้วยกระดาษสีต่างๆน่อกล้วยโมไฟตกแต่งอย่างสวยงามนะคะแล้วก็มีการชมการประกวดจองพารานะคะการประกวดฟอนนกกิ่นกาลาค่ะรําโตสัตว์2เท้านะคะและก็สีเท้าในวันนะะักดีและมีการร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดดอยกองบูในวันออกพรรษาด้วยนะคะคุณผู้ฟังและที่สุดท้ายเลยนะคะเราไปที่ใต้กันค่ะประเพณีชักพระทอดพร ะ, ะป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจุดเด่นของประเพณีชักพระนี้นะคะอยู่ตรงที่เรือพระที่มี การตกแต่งอย่างสวยงามค่ะโดยมีการอัญเชิญพระพุทธรูปนะคะขึ้นประดิษฐานนะับนบุดเสาภายในเรือนั่นเองนะคะจากนั้นก็มีการลากเรือไปเรื่อยๆค่ะซึ่งการลากพระทางน้ำเนี่ยเราจะเรียกว่าเรือพระน้ํานะคะส่วนการลากพระทางบกเราเรียกว่าเรือพระบกนั่นเองค่ะคุณผู้ฟงังเป็นยังไงบ้างคะนั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะในช่วงออกพรรษาค่ะคุณผู้ฟังนั้นก็นะคะใครได้ฟังปีนี้นะคะเดี๋ยวปีหน้านะคะไปจับซองพื้นที่และไปท่องเที่ยวกันอย่าง ส, งสนั่นเลยนะคะในช่วงเทศกาลออกพรรษาค่ะและในช่วงต่อไป รับรองว่าสนุกสนานและเพลิดเพลินแน่ในะะช่วงน่านันทธรรมผาพเพลินค่ะคุณอากัสนั้นจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปท่องเที่ยวเชิงน่านธรรมในช่วงออกพรรษาไปที่ไหนบ้างต้องอดใจร อ, รอคุณอากาสกันนะคะสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟงังสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University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 วัฒนธรรมพาเพลินซึ่งออกกาทางเอบมแปาจุดห้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีซึ่งจะกับผมครับออกกาสพี่พัฒนพงศ์วัฒน ก, รรกัญยาคุณรับหน้าที่ต่อจากพี่โบที่จะพาทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของแหล่งนั้นครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับหลายๆท่านคงจะทราบแล้วว่าออกกาศจะพาท่านผู้ฟังนั้นเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหน ราะสัปดาห์นี้ครับเราพาท่านผู้ฟังเดินทางมาท่องเที่ยวกับประเพณีออกพรรษาปี 2,562 ซึ่งหลายที่นะครับได้จัดกิจกรรมอย่างมากมายเลยทีเดียวครับเป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ฟังสําหรับช่วงของการเข้าพรรษาที่ผ่านมานะฮ ะ, ะหลายๆคนก็มีนะฮะกิจกรรมต่างๆนะครับที่ทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงดเล่าเข้าพรรษานะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้นะครับมีสาดีด้วยกันครับ อันดับแรกก็คือดีในเรื่องของสุขภาพครับอันที่2คือดีในเรื่องของเงินนะครับอันที่3าก็คือดีในเรื่องของเพาะพุทธศาสนาด้วยนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ทําผิดศีลข้อ5้านะครับนั่นก็คือการไม่ดื่มของหมื่นเมานั่นเองก็ขออนุมโมทนาสาธุกับท่านที่งดเหล้าเข้าพรรษาด้วยนะครับสาําหรับสัปดาห์นี้ออกาสพาท่านผู้ฟังเดินทางท่องเที่ยวมาที่จังหวัดสมุทรปราการเอ๊มาสมุทรปราการเนี่ยเราจะไปท่องเที่ยวประเพณีอะไรที่สมุทรปราการนั่นก็คือประเพณีรับบัวครับ เป็นประเพณีเก่าแก่นะครับที่สืบสานกันมาแต่โบราณนะครับซึ่งปีนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคมพุทธศักราช2562ณวัดบางพีใหญ่ในอำเภอบางพีจังหวัดส ม, มุทรปราการหรือวัดหลวงพ่อโตที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับนะครับประเพณีรับปัว2512สืบสานตำนานแห่งสายน้ำ มรดกล้ำค่าของชาวบางพีเนี่ยนะครับตัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจําทุกปีครับท่านผู้ฟังซึ่งประเพณีรับบัวนะครับเกิดขึ้นเพราะความมีน้ําใจที่ดีต่อกันระหว่างคนท้องถิ่นกับคนมอญปากลัดนะครับเมืองปากลัดปัจจุบันก็คือเมืองพระปรแดงนั่นเองซึ่งทํานาอยู่ที่ตำบลบางแก้วปัจจุบันนั่นคืออําเภอบางพีนะครับเมื่อถึงช่วงของเทศกาลออกพรรษาคนมอญกลุ่มนี้ก็จะกลับไปทําบุญที่อําเภอพระปรแดงโดยคนไทยท้องถิ่นจะช่วยกันเก็บดอกบัวไว้ คนมอญ น, นั้นนําไปถวายพระนั่นเองในปีต่อมาชาวอําเภอเมืองและชาวอำเภอรพระปรแดงต่างพร้อมใจกันพายเรือมาเก็บดอกโบที่อำเภอบางพีทั้งยังถือโอกาสร่วมในวัฒการองหลวงพ่อโตแต่ด้วยระยะทางระหว่างอำเภอบางพีกับอําเภอรพระปรแดงไกลกันมากดังนั้นเพื่อเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเรือตรําจึงจะร้องเพลงนะครับแล้วก็รําทําเพลงกันมาตลอดเส้นทางครับ อีกประการหนึ่งนะครับด้วยเหตุที่พื้นที่ในละแวกอํเาเภอบางพีนั้นมีดอกบัวหลวงสะพั่งไปทั่วทุกราครองเมื่อถึงเทศกาลออกพรรษาชาวบ้านต่างถิ่นมักจะมาแล่นเรือมาเก็บดอกบัวหลวงนะครับที่อํเาเภอบางพีเพื่อนําไปถวายพระอยู่เป็นประจําชาวบางพีจึงอํานวยความสะดวกให้คนต่างถิน่นด้วยการเก็บดอกบัวนะครับมาไว้นะครับให้โดยไม่คิดมูลค่า วังเพียงได้ทําบุญร่วมกันปกจิตะรับส่งการมือต่อมือต่หาสนิทคุ้นเคยก็จะโยนให้กันจากน้ําใจของคนบางพีในวันนั้นก็กลายเป็นประเพณีที่เรียกว่ารับบัวจนถึงทุกวันนี้ก็ท่านผู้ฟังซึ่งนะครับพอถึงวันขึ้นสิบห้าคเดือน11ตั้งแต่ตอนเย็นชาวอำเภอเมืองสมุทรปราการชาวพระประแดงและชาวต่างถิ่นจะจะชวนพวกพ้องนะครับปกรเฟื้นผงโรงเรือพร้อมด้วยเครื่องดนตรีนาน า, นา ช, นชนิดเช่นนะครับซอปีกระจับโทนรมนา กรับชิงฉาบเป็นต้นพายกันไปร้องรําทําเพลงกันไปตลอดทางตลอดคืนซึ่งบางพวกนะครับก็จะผ่านมาทางลําน้ําเจ้าพญาบางพวกก็จะผ่านมาทางลําคลองอื่นเข้าคลองสํารงและมุ่งหน้ามายังหมู่บ้านบางพีใหญ่ครับสำหรับชาวบางพีนั้นก็จะถือปฏิบัติกันเป็นประเพณีว่าเมื่อถึงสิบสาค่ำเดือน11ก็จะต้องเตรียมหาดอกโบวลหลวงสําหรับม่อมไปแก่ชาวบ้านที่ต้องการและมิตรต่างถิ่นที่ไปเยือนในโอกาสเช่นนี้ก็คงแสดงมิตรจิต ในเรื่องของการต้อนรับจัดหาสุราหารเลี้ยงดูกันตั้งแต่ตอนค่าของวันขึ้น13บสาค่ำเดือน11ก็จะต้องนะฮะมีพวกพ้องคุ้จักกันดีนะครับมาเยี่ยมเยียนกันแล้วก็ชาวบางพีเองก็จะเป็นเจ้าของบ้านที่ดีครับจากนั้นก็จะพาไปเยี่ยมเยียนบ้านนั้นบ้านนี้นะครับแล้วก็ต่างสนุกสนานกันร้องราทําเพลงและร่วมรับประทานอาหารสุรากันตลอดทั้งคืน พอเช้าตู่ของ14ข่ําเดือน11ชาวบ้านก็จะต่างนำเรือของตนครับไปตามลำคลองสำารงเพื่อไปขอรับดอกบัวนะครับจากชาวบ้านบางพีทั้ง2ฝั่งคลองการให้การต้อนรับดอกบัวก็จะทำกันอย่างสุภาพคือส่งและ รับกันมือต่อมือหรือก่อนให้ก็จะยกมือนะครับในการพนมอธิษฐานเสียก่อนระหว่างชาวบ้านบางพีกับชาวต่างถิ่นที่สนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นพิเศษบางทีชาวบางพีก็จะโยนดอกบัวไปให้ครับโดยไม่มีพิธีรีตองเหตุที่มีการโยนบัวให้กันแบบมือต่อมือเรื่อนไปจนถึงการนําไปพูดนะครับในเรื่องของการรับบัวหรือว่าการโยนบัวการรับบัวของชาวบ้านต่างบ้านนะครับจากชาวบางพีก็จะสิ้นสุดลงนะครับเมื่อเวลา แปดนาิกาหรือเวลา9ก้นาฬิกาและชาวบ้านก็จะพากันกลับครับตอนขากลับก็จะมีการแข่งเรือกันไปด้วยนะครับแต่แกนการนะฮะแข่งเรือโดยมีเส้นชัยนะครับแต่จะไม่มีกรรมการนะครับในการตัดสินและไม่มีการแบ่งประเภทหรือชนิดของเรือครับใครพอใจจะแข่งกับใครเมื่อไหร่ที่ใดก็แข่งได้นะครับหรือจะเปลี่ยนคู่นะครับกันไปมาเรื่อยๆตามตลอดเส้นทาง ก็แล้วแต่ชาวบ้านจะตกลงกันเลยครับสําหรับดอกบัวที่ชาวต่างถิ่นรับมาจากชาวบางพีนั้นก็จะนําไปบูชาในเทศกาลออกพรรษาตามวัดนหมู่บ้านของตนประเพณีที่เก่าวมาข้างตน้นคั้นนานมาชาวต่างถิ่นที่ได้นําเรือมารับดอกบัวจากชาวบางพีมีปริมาณลดลงเรื่อยๆครับท่านผู้ฟังเสียงกระจับปีสีซอกองรามนาเสียงเพลงเสียงเฮฮาที่เคยนะครับร่ำร้องตามราคลองสํารงในคืนวันขึ้นสิบสาค่ำเดือน11 ก็ค่อยเงียบหายไปต่อมาครับนายชื่นครับวรสิรินะครับหรือว่าเพชรบูรณะวรสิริซึ่งเป็นนายอำเภอบางพีในช่วงของสมัยนั้นนะครับก็เมื่อปีพฤศจิกาล2473ประเพณีรับบัวมีทีเท่าว่าจะเสื่อมสูญหายไปก็ได้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งเมื่อได้หารือกับพ่อค้ากับบอดี้จะรอตนข้าราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางอําเภอบางพีครับจึงได้ตกลงกันดําเนินการ น, นะครับจัดประเพณีรับบัวขึ้น คือนะครับเริ่มงานวันขึ้น13ค่ำเดือนเสแล้วรุ่งขึ้น14ค่ําเดือน11เป็นวันรับบัวอันเป็นครั้งแรกที่ทางราชการเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีรับบัวของชาวบางพีในการจัดงานประเพณีรับบัวทางราชการอําเภอบางพีมีการแต่งเรือประกวดเริ่มมีมาเมื่อปีพุทธศักราช2480ครับผู้ใหญ่บ้านกำนันช่วยกันหาดอกบัวแจกข้าวต้มมัดแก่แขกต่างบ้านและผู้จัดเรือประกวดในวันขึ้น13ค่ําเดือน11 ประชาชนต่างถิ่นและชาวอำเภอบางพีจะลงเรือล่องไปตามลำคลองสำโรงครับร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานร่วมกันกับชาวบางพีก็จะจัดหานะฮะอาหารนะครับสุราไว้ต้อนรับแขกต่างบ้าน ชาวต่างถิ่นนะครับต่างรู้จักมากคุ้นเคยกับชาวบางพีบใดบ้านใดนะครับก็จะไปเยี่ยมเยียนบ้านหลังนั้นสนุกสนานกับชาวบางพีจนถึงรุ่งขึ้นวันที่14คสี่คเดือนสร่ชาวบ้านนะครับก็จะมาร่วมกันในพิธีรับบัวอันยิ่งใหญ่นี้ครับในการจัดประเพณีรับบัวมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือการแห่ลงพ่อโตซึ่งแต่เดิมยังไม่ได้มีการแห่ดังเช่นสมัยนี้ในราวพฤษศกราช2งพ0่ 67นางจันทร์กับพวกนะครับได้พร้อมใจกันสร้างปฐมเจดีขึ้นในวัดบางพีใหญ่นายเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จัดให้มีการฉลองโดยแห่องค์พระปฐมเจดีนี้ตามลำคลองแล้วกลับมาห่มองค์พระปฐมเจดีกลางคืนก็จัดให้มีมหรสพสมโพธตลอดคืนแห่ไปได้ 2-3 ปีก็หยุดไปด้วยเหตุการณ์ไม่ปรากฏหลักฐานอะไรเลยถึงเชื่อว่าการแห่ผ้าห่อองค์พระปฐมเจดีได้รับแบบมาจากการ แห่ผ้าหม่มองค์พระสมุดใจดีของอำเภอเมืองสมุทรปราการต่อมาก็มีการแห่รูปหลวงพ่อโตแทนโดยความเห็นชอบของท่านสมพันธ์และนางเฉลวยงามขำซึ่งนะครับก็แห่รูปภาพของหลวงพ่อโตมาหลายปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2485ครับก็มีการทำหุ่นจำลองของหลวงพ่อโตขึ้นสารด้วยโครงไม้นะครับปิดกระดาษทาสีทองแล้วนาแห่แทนนะครับรูปภาพของหลวงพ่อโต ซึ่งสร้างโดยนายสวัยโตเจริญตกกลางคืนก็มีงานมหอสรสพนะครับสมโพตลอดทั้งคืนอย่างคลึกคื้นนะครับจนถึงนะครับสมัยของพระครูพิสารครับเป็นเจ้าอาวาสวัด บ, บางพีใหญ่นายก็ได้จัดให้ทําการหล่อรูรปหลวงพ่อโตจําลองขึ้นนะครับสำหรับแห่ตามลาคลองด้วยอลูมิเนียมในปีพุทธศักราช2497และปัจจุบันแห่โดยรูปหลอ่อจาลองของหลวงพ่อโตรูปปั้นนะครับโดยจัดเป็นขบวนแห่ไปตามลาคลองสำโรงในวันขึ้น13ค่ำเดือน11 เป็นการประกาศข่าวงานรับบัวให้ประชาชนทราบและวิธีนี้นะครับก็กลายเป็นวิธีแห่หลวงพ่อโตก่อนวันงานรับบวัวคือวันที่สิาค่ำเดือน11จนถึงปัจจุบนันการแหร่หลวงพ่อโตจึงเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีรับบวัวครับท่านผู้ฟังประชาชนที่อยู่สองฝั่งคลองสํารงที่ขบวนแห่หลวงพ่อโตผ่านจัดประดับนะครับธงทิวต่างๆตกแต่งบ้านเรือนและตั้งโต๊ตหมู่บูชาพอเช้าวันรุ่งขึ้น14บ่ําเดือน11มีการประกวดเรือประเภทต่างๆของตำบลใกล้เคียงและโรงเรียนส่งเข้า ประกวดซึ่งเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช 2,500 ก็มีการจัดประกวดครับปัจจุบันมีการประกวดเรือ3ประเภทด้วยกันคือเรือประเภทสวยงามประเภทความคิดประเภทขบขันซึ่งงานนะครับก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาหกนิกาจนถึงเวลา11บเนาฬิกาของวันเดียวกันในบางปีจะให้มีการประกวดเทปีการแข่งเรือหรืออย่างอื่นแล้วแต่คณะกรรมการจัดงานรับบวัวจะพิจารณาเห็นตามสมควรครับซึ่งในปีนี้นะครับสองพครับ ประชาชนนะครับทั่วจากทุกท้องที่นะครับได้เดินทางมาประเพณีรับปัว เป็นจำนวนมากจริงๆนะครับท่านผู้ฟังเพื่อมาขอพรองอุ่งรุงพอ่อโตและสืบสารประเพณีรอบบัวของชาวบางพีจังหวัดสมุทรปราการครับโดยงานดังกล่าวนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2562จนถึงวันที่14ตุลาคม2562นะครับก็เป็นเวลาหลายวันด้วยกันในการจัดกิจกรรมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากพุทธจารนิกชนชาวไทยนะครับที่มาร่วมกันทําบุญในช่วงของ เทศกาลออกพรรษานะครับสับท่านผู้ฟังนะครับที่ต้องการเดินทางมาประเทรับบัวในปีหน้านะครับซึ่งก็จัดขึ้นในช่วงของวันเวลาดังกล่าวนะครับคือ13ค่ำเดือน11นั่นเองครับ ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ว่ากัดอําเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็ต้องสำรองเวลาร่วงหน้าในการเดินทางเพราะว่านะครับพื้นที่ในการเข้าวัดบางพีใหญ่ในนั้นค่อยงที่จะแคบสักนิดนึงนะครับก็อาจจะทําให้รถติดแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านที่เดินทางมางานครับ สำหรับวันนี้ครับบักการแล้วก็พี่โบขอราท่านผู้ฟังไปก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากห้องสมุดศูนย์วิทยาพัฒนาะมสทนครนายกแลก com, ้วก็ mthai com เพื่อเฟือข้อมูลในการท่องเที่ยวประเพณีรับบวัวในวันนี้สำหรับวันนี้ก็ได้พี่โบราไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ